วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่าเดือนแปดปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดอีกเจ็ดวันข้างหน้าเป็นวันเข้าพรรษาวันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นวันอาสรหะแต่ตามบานนอกบานนาของเราเนี่ยกวันที่ยี่สิบเอ็ดก็ว่าเป็นวันเข้าพรรษาแต่ตามไม่จริงวันอธิษฐานพรรษาจริงๆคือวันที่ยี่สิบสอง วันที่ยี่เอ็เนี่ยเป็นวันอาสาฬหะคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าไปโปรดปัญจวกกีทังหาให้ได้สําเร็จมรรคผลเรามาถือว่าเป็นวันสําคัญพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกแต่ก่อนมีแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดรู้โวยพระองค์เองและก็ตัดรู้พระธรรมมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระธรรมแต่วันอาสาฬห์บูชานี่ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าไปโปรดปัญจวคีไปเทศทําความเข้าใจกับบุคคลอที่สองว่านั้นแหละคือพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมคําสั่งสอนนไปแนะนําไปสั่งสอนคนจนเขาเป็นที่ยอมรับได้รู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําเรียกว่าพระธรรมคําสั่งสอน จากนั้นท่านก็ได้สําเร็จเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาเป็นพระอรหันต์เป็นพระสงฆ์สาวกพระสงฆ์สาวกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเมื่อฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตา ม, มก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งห้าท่านว่าปัญจกวคีทั้งห้านี่เราเป็นวันอัรหาบูชาเป็นวันสาาําสคัญยิ่งวันหนึ่ง แต่โดยมากก็มีแต่พวกกลุ่มข้างในหรือพวกฝ่ายพระสงฆ์ที่ท่านยึดเป็นสาสนาพิธีท่านก็มีเวียนเทียนกันบ้างในวันนั้นแต่โดยมากก็จะมีแต่มาฆากวีสาขาที่เวียนเทียนกันโดยมากระสาระนี่โดยมากจะเมื่อไม่อธิบายให้ฟังพวกเราก็ จะเลือนลางลืมหลงไปแล้วว่าเป็นวันอะไรเพราะนั้นพวกเราทุกท่านให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไวนะน้นะในพรรษานี้พวกเราจะทาอะไรบ้างให้เกิดสาระเกิดประโยชน์เป็นชิ้นเป็นอันกับชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพระสงฆ์หรือผู้ที่จะบวชเป็นพระสงฆ์เป็นครวัตมาแล้วจะบวชเป็นพระ ในพรรษานี้เราจะทำอะไรบ้างให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นจิตจะลักษณะสิ่งเหล่านี้เราต้องได้เตรียมตัวคิดไ้ก่อนสำหรับพระสงฆ์ที่บวชมาแล้วถึงจะบวชใหม่บวชเก่าก็ตามสิ่งไหนที่เรายังค้างคาในใจของเราที่เรายังตัดไม่ขาดเราควรจะทำอะไรบ้าง ในพรรษานี้ให้จริงจังกับตัวเองสิบ้างสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายเตรียมกายวาจาใจของเราให้พร้อมเอาไว้สําหรับกระวัตยญาติโยมก็เช่นเดียวกันในพรรษาที่จะถึงนี้อายุของเราเท่าไหร่นับดูและอายุค้างหน้าของเราจะนานเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะรับประ ก, กันได้เพราะนั้นการที่จะทําคุณงามความดีของเราใน วันข้างหน้านเราควรจะเตรียมพร้อมในวันนี้คือปัจจุบันปัจจุบันขณะนี้ยังมีเวลาอยู่ยังพร้อมที่จะทำคุณงามความดีได้เพราะนันควรจะเตรียมพร้อมเอาไว้ว่าในพรรษาที่จะถึงเนี้ยสามเดือนที่จะถึงข้างหน้านี่เราจะทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันที่พวกเรายังค้า ง, างยังตัดไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้นมาพูดถึงเรื่องพระสำหรับพระของเราในพรรษานี้เราจะทำอะไรโดยมากแต่ตามให้จริงการที่จะทำข้างนอกนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ให้ถูกต้องจริงๆตรงหลักจริงๆตรงจุดจริงๆก็คือตั้งอกตั้งใจภาวนา จะชำระจิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลสภายในสามเดือนนี้อันนี้ก็คือจุดมุ่งมัน่นแต่จะสําเร็จหรือไม่นั้นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าความมุ่งมั่นนั้นควรจะมีอยู่ในใจอันนี้คือจุดประเด็นหลักถ้าทําได้หรือว่าคิดได้หรือว่ามีความมุ่งมั่นอย่างนี้ได้ก็เป็นผลดีแต่ถ้าหาว่าต่อมาในการตั้งจิตที่ครูบาอาจารย์ท่าน พากระทำมาก็คืออ้าในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะเร่งความภาคเพียรอย่างพระจักคุบาลในครั้งพระเจ้าเอาอริยบทสามยืนเดินนั่งไม่นอนตลอดไตรมาสสามเดือนก็เคยมีมาแล้วนะแต่นี้การทําความภาคเพียรในพรรษานี้เราจะไม่นอนตลอดไตรมาสสามเดือนหรือดอนกว่านั้นก็ไม่นอนเฉพาะวันพระ ทดลองดูเป็นยังไงจากนั้นก่อการทําความภาคเพียนตลอดถึงข้าพเจ้ายังท่องปฏิโมกไม่ได้ในพรรษาเนี่ยข้าพเจ้าจะพยายามท่องปฏิโมกให้ได้ให้จบอย่างนี้เป็นตน้นนอย่างหลวงพ่อเนี่ยสมัยเป็นเนนหลวงพ่อเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานเหมือนกันเอในพรรษานี่ยข้าพเจ้าจะท่องปฏิโมกให้จบเพราะมันท่องที่แลมก็ล้มเอา ท่องเทเลมก็ล้มเมาอ้าวทามันเป็นอย่างนี้มันไหวเลยเนี่ยเอาพรรษานี่แหละวันหนึ่งให้ได้สักสองสามตัวเอื้ออย่างง่าย้เล้สักแถวหนึ่งแถวชันสั้นนะสามสี่คำให้มันได้อผลที่สุดมันบางวันมันก็ได้เป็นหน้ากระดาษสองหน้ากระดาษเหมือนกันพราะมันซ้ํากันมันง่ายแต่บางวันมันก็ตัวคำยากๆมันก็ได้น้อย แต่ถึงยังไงก็เดือนกว่าท่านเองนะเดือนครึ่งเนี่ยจบเลยพระปฏิโมกข์สมัยเป็นเนนนี่แหละอันนี้ก็คือความจริงจังถ้าว่าเราไม่จริงจังเช่อย่างเดียวมันไม่จบหรอกตั้งท่าต่างทางมาแล้วท่องทองไปแล้วก็ล้มทองทองไปแล้วก็ล้มท่องทองไปแล้วก็ล้มล้มอย่างนั้นอ่ะไม่เป็นท่าอย่างงั้นอ้าวถ้าเราไม่เอาจริงมันไม่ไหวนัเนี่ยก็เลยตั้งกิจตั้งใจเอาจริงๆเพราะเอาจริงๆก็เพียงเดือนครึ่งท่านนเองปฏิโมกจบเลยว่างนั้นเถะ นี่แหละคือความจริงจังความจริงใจเนี่ยอยู่ในสถานที่ใดหรือว่าเกิดอยู่ในที่ใดมันจบได้ทั้งนั้นแหละถ้าว่าไม่จริงไม่จังเนี่ยมันล้มระเนระนาดไปเป็นทาาเป็นทางมามากต่อมากเราไม่ต้องดูที่อื่นเราดูใจของเรานะั่นน่ะดูการกระทําของเราที่ผ่านมานะั่นน่ะไม่ต้องดูใครอื่นดูตัวของเราเองนะมันเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นควรจะมีสัจจคือความจริงใจ ในบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าการตั้งสัจจดนั้น เ, เราก็จะไปตั้งข้าพเจ้าจะต้องกระโดดขึ้นจากดินขึ้นไปถึงสิบเมตรอยงเี่ยมันตั้งอย่างนั้มันตั้งไม่ได้นึงไงกระโดดมันคงไม่ขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องความเป็นไปได้มีความสามารถของเราเราดูแล้วความสามารถของเรามียังไงแค่ไหนสะก่อนนะ เ, เราจึงแต่ว่าใจของเรามันเพียงแต่ไม่สู้ทั้เอง ใ, ใจของเราไม่สู้ท่านเองดังนี้นเราต้องสัจจะต้องมีสัจจะในใจของเราที่จะทําสิ่งนั้นให้สําเร็จนะออย่างผู้ใดก็ตามท่านใดก็ตามอย่างสูบบุหรี่อย่างเนี้ยอสูบบุหรี่เขาก็ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ตามพระจริงการสูบบุหรี่มันก็ไม่ได้ผิดในพระวินัยเพราะว่าพระวินัยจุดนี้ท่านก็ไม่ได้บัญญัติเอาไว้เพราะ โบราณผู้เฒ่าผู้แก่ที่นับถือพุทธศาสนามาเวลามาหาพระหาเจ้าก็มีหมากบีบุหรี่เป็นประเพณีกันมาแต่มาถึงยุคนี้สมัยนี้ทางการแพทย์เขาตรวจพบว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้อยู่ใกล้ชิดผู้อยู่รอบข้างด้วยแต่ทั้งน้เาก็มีกฎหมายตรากฎหมายกันขึ้นมา ถ้าเขาว่าไปสูบุรีได้ที่สาธารณะอย่างสูบุรีในวัดอย่างเนี้ยแ่เขาก็มีกฎหมายห้ามแต่มันก็ห้ามไม่อยู่เพราะมันวัดกับพระพระกับวัดมันเป็นการเป็นการอยู่อย่างนั้นมาแล้วแต่เขาก็มีการพราาไว้ไปสูบุรี่ในห้องแอร์เรียว่าที่ห่วงห้ามของเขาโรงอาหารร้านอาหารอย่างเนี้ยในรถเมยอย่างเนี้ยอันนี้เขาก็ต้อง โทษตามกฎหมายของเขาแต่นี่ถ้าว่าเราไปทําอย่างนั้นมันก็ผิดกฎของเขาเหมือนกันจะ แ, แสดงว่าเขาพยายามกีดกันห้ามไม่ให้สุบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อย่างเนี้ยแต่ตามไม่จริงเราก็ไม่อยากจะพูดพราะเราพูดไปเนี่ยเหรอเคยมีหมูพวกเพื่อนต่อต้านมาแต่ลุงพ่อเขาฟังอลุงพ่อกับไม่ละ ว, ว่าอะไร พอปากของท่านเองท่านทาเองให้ผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่เราก็บอกว่านี่นะชุมชนสังคมโลก เ, เขาต่อต้านอย่างนี้ เ, เราก็ควรจะฟังถ้าหยุดได้ก็ดีถ้าหยุดไม่ได้ก็ผ่อพๆลงสักหน่อยหรือไม่ผรอก็ให้รู้จักการเทศะเร้จะสุบุรีในที่สาธารณะดูๆมันก็ไม่งามเพราะว่าเขาต่อต้านขนาด พระวัดยอดโยมเขาก็ยังไม่สู้อันนี้พระของเราไปทําอย่างนั้นมันดูอะไรอยู่นะอันนี้ก็เป็นการเตือนเฉยๆหรอกมันก็ไม่มีอะไรต้อให้คิดดูกันแล้วกันผู้ใหญ่ทุกคนแล้วอันนี้หลวงพ่อก็เคยพูดนะแต่ตามไม่จริงในพระวินัยผิดไหมไม่ผิดไม่มีการบัญญัติเอาไว้เห็นอย่างก้องยานัทอย่างนี้ในพระวินัยก็มี แต่ว่าในยุคสมัยนั้นก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่มาถึงยุคนี้โลกาวัชชะเราต้องคิดถึงโลกาวัชชะโลกติเตียนในครั้งพระพุทธเจ้ามีไหมโลกาวัชชะมีเยอะแยะเลยให้ให้เราตรวจ ด, ดูในพระวินัยของพระสงฆ์พระวินัยสองร้อยี่สบเ็ดข้อเกือบครึ่งต่อครึ่งครว่าติเตียนชุมชนติเตียนพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยบัญญัติศีล สำหรับไม่พระกระทำเพราะเหตุไรสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่สังคมเหมือนกันนะแค่โลกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่าโลกเขาต่อต้านเมื่อโลกเขาต่อต้านพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาไปเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าขนาดเนี้ยพระยังทําไม่ได้พระยังปฏิบัติตัวไม่ได้แล้วจะมาสอนอย่างนี้ได้ยังไงพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วไม่ได้โลกต่อต้าน ธรรมะที่ขั้นสูงที่จะไหลเข้าไปแนะนําเข้าไปเนี่ยเขาคงยอมรับไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกองค์ก็อ้อาวบัญญัติพี่ไหนยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะอย่างพฤกษุภาคของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตตินะียคือของเขียวก็ ค, คือพวกหญ้าพวกต้นไม้พวกเถาวัลอะไรก็าตาเรียกว่าของเขียวเนะีที่เกิดอยู่กับที่ทีนี้ ในพระวินัยหรือว่าในหลักของพระพุทธศาสนาศพั์เฉพาะทั้งหลายไม่มีวิญญาณมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟผสมส่วนกันแล้วก็เกิดถ้าว่ามีวิญญาณเข้าไปก็คือมดมแมลงต่างๆมีการเคลื่อนไหวได้มีการวิ่งหนีได้อย่างนี้เรียกว่าสิ่งที่มีวิญญาณถ้าว่าเป็นต้นไม้ไม่มีวิญญาณมีแต่ธาตุสี่ ผสมกันแต่นี้พระพุทธองค์บอกว่าการตัดต้นไม้การทําลายต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ฆ่าสัตว์เพราะว่าไม่มีวิญญาณมีธาตุสีพระสงฆ์ท่านก็ได้หญ้าบางังตัดต้นไม้บงังอะไรบงังทําความสะอาดปัดกวาดที่พักที่อยู่อาศัยของท่านบางังสร้างเสนาชนะของท่านบัง่ตัดไม้มาทําเสนาชนะที่พักพ่าอาศัยของท่านบางังเหมือนกับชาวบ้านทั่ ว, วไป คือถือว่าไม่ได้ฆ่าสัตว์ว่างั้นะจะได้ชาวบ้านบางกลุ่มเขาบอกว่าเนี่ยต้นไม้มีวิญญาณพาส่งไปทําอย่างนั้นได้ยังไงเหมือนกับฆ่าสัตว์ตัดต้นไม้แต่ที้ชุมชนสังคมเขาต่อต้านขึ้นมามากพระพุทธองค์ก็อืในเมื่อเขาต่อต้านอย่างเนี้ยประกาศพระศาสนาก็ประกาศไม่ไปเพราะเขาไม่ยอมรับอธรรมะส่วนลึกเข้าไปอีกขนาดชวนนี่ยังปฏิบัติตัวไม่ได้ พระสงฆ์ยังตัดต้นไม้อยู่ต้นไม้มีวิญญาณพระพุทธองค์ก็เลยบัญญัติวินัยขึ้นมาตั้งแต่นี้ใบพิกสุงใดข้อตามภาคของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องบากิีตีคือผิดศีลข้อหนึ่งในสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อนั่นแะศิทขาดไปข้อหนึ่งเหมือนกันจากนั้นพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามมาถึงยุคนี้สมัยนี้ก็ยัง ปฏิบัติตามอยู่อย่างพระป่าพระธงอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านยังปฏิบัติยังไม่ตัดไม้ได้หญ้าแบบงั้นแต่เพราะพระวินัยบัญญัติมาอย่างนั้นเราต้องปฏิบัติตามอืมแต่นี่ในเมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์บัญญัติทํำไม่พระพุทธองค์เห็นแล้วบอกว่าโลกาวัชชะโลกตีเตียน ถาว่าโลกตีเตียนโลกเขาไม่ยอมรับในการกระทำของพระอย่างนี้แล้วไปสอนเขาเขาก็ไม่ยอมรับส่วนอื่นขึ้นมาอีกเพราะว่าเขาเห็นว่าพระร้อยกว่าเขาอย่างเนี้ยเพราะนั้นพระโตองค์จึงบัญญัติวินัยอันนี้ขึ้นมาจากนั้นพอบัญญัติวินัยเสร็จแล้วเขาก็ยอมรับจากนั้นก็ประกาศพระศาสนาต่อไปตรงไหนที่มีปัญหาพระโตก็บัญญัติอีกเมื่อโลกวัชชะเขาต่อต้าน อันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันถ้าว่าพระไปทำอย่างนั้นไปสูบบุรีอย่างเนี้ยไปขับรถอย่างเนี้ยถ้าโลกเขาต่อต้านนะโลกาวัชชาเราก็ควรจะหยุดถ้าว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ไม่แด่เหมือนกันนะออาจจะบัญญัติพี่นัยก็ได้ถ้าโลกเขาต่อตา้านมากๆนะอันนี้เราก็ไม่กล้าที่จะเดาเหมือนกันไม่กล้าที่จะเดาเพราะอันนั้นเป็นพุทธอ ธ, ธรรมะสังฆะ อันนี้เราเป็นแต่เป็นบทพิจารณ์ท่านเองเป็นแนวความคิดท่านั้นเองแต่ทิ้งยังไงก็ตามถ้าพูดตามสมมุติยมหรือ ว, ว่าพูดตามหลักเหตุผลแล้วถ้าหากว่าตัวเองสูบบุหรี่เป็นโรคเป็นภัยขึ้นมาอย่างทงลมโป่งพองอย่างนี้อย่างหมอเขาบอกอย่างนี้ข้าไม่ไปหาหมอหรอวะเพราะเป็นความผิดของข้าเองข้าชอบบุหรี่ข้าก็รู้อยู่แล้วก่อนที่จะสูบบุหรี่เนี่ยสูบเข้าไปแล้วต้องเป็นโรคปอด ต้องเป็นมะเร็งปอดต้องทงลมโป่งพองแ น, แน่แต่ค้าชอบมันในเมื่อค้าเป็นอย่างนี้ละข้าไม่ไปหาหมอละตายเป็นตายเพราะค้าชอบมันเนยถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีปัญหาแต่นี่ถ้าเราไปหาหมออยู่เนี่ทั้งที่เขาห้ามตัวเขาเองเขาฝืนแล้วยังไปหาหมออีกพอจวนจะไปหาหมอก็หยุดบุหรี่ซะอย่างเนี้ดูดูมันกระลยอยู่น่าหลงพ่อว่าน่ะดูดูกรกลยอยู่ถ้าจริงจังแบบไอ้พระวัด้อยแม่ปัง หลวงพ่อก็เออยังหน้าบูชาน้ําใจอยู่นะอพระที่วัดลอยแม่ปังหลวงพ่อไปจําบรรษาปีสองพันห้าร้อยสิบนะไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นหลวงพ่อก็ปัดกวาดไปปัดกวาดไปก็ไปเห็นไ อ, อ้หม้อดินนะมันเห็นปากโผล่ขึ้นมาปากโผล่คือมานเขาฝังตื้นน่ะเขาก็ขุดดินลงไปเพื่อทําทางไรยยื่องกลมเห็นปากหม้อโผล่ขึ้นมาหลวงพ่อก็เลยถามหลวงปู่แหวน ลุงปู่ลุงปู่ครับเห็นหม้อเนี้ยมันเขาฝังไว้ทําไมเห็นปากพันโผ่ขึ้นมาเนยท่านบอกเอ้ยพระตายที่องค์หนึ่งนะสมัยนะั้นเราอยู่จำมรรษาอยู่เแถวป่าเมียงเนี่ยมีพระจำมรรษาอยู่วัดด้อยแม่ฝังสององค์พระมาจากโน่นะจากทางอีสานนั่นแหละจะได้มาจำมรนษาด้วยกันพอกลางพรรษาองค์หนึ่งเป็นไข้คงจะเป็นไข้ามลาลเรียและไข้ร า, ากสาัตวไทฟอยนี่แหละเพรางั้นะ คือมันกินผลไม้มันผิดผิดผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยหอมเนี่ยกล้วยหอมยาวหรือกล้วยหอมเนี่ยผิดอย่างมากเลยนะแต่สแสลงอย่างมากทีนี้ก็มีพระอยู่ด้วยกันสององค์ชาวบ้านเขาก็บอกว่าท่านเป็นใข้ท่านจะอย่าฉันกล้วยหอมนะไม่ได้นะผิดนะตายนะตายหลายคนนะชาวบ้านกินตัวนี้ไม่ได้ทีนี้ก็พระองค์นั้นก็ดูด้วยกันสององค์ ดูแลประคบ ป, ประมงกลางค่ากลางคืนบแบบอยู่ด้วยกั น, นะเป็นพวกเป็นรอดด้วยกันเมื่อพระป่วยองค์เพื่อนนี่ก็ต้องดูแลอุ ป, ปถัมภ์ปฐากอย่างใกล้ชิดไปอยู่ด้วยกันสององค์อย่างพึ่งพาอาศัยกันอย่างสุดๆแบานั้นแต่แต่ตอนนี้องค์หนึ่งไปบินทบาทกลับมาชาบ้านเขาเอากล้วยมาพาอเอากล้วยมาองค์อที่ปว่วยเห็นกล้วยเท่านั้น ให้เข้าว่าคนคนป่วยมันชอบของแสลงเลยเห็นกล้วยโอ้โหสั่งเลย่างทีอยากอยากกินกล้วยนะเพราะมันมันขาดคงจะขาดสารอาหารขาดของหวานนะ่ะเอแค่นี้ชาวบ้านเขาโอ้ท่านฉันไม่ได้นะกล้วยนะผิดนะองค์เพื่อนนี่ก็บอกว่าท่านฉันไม่ได้นะกล้วยนะเออย่าฉันนะฉันไม่ได้นะถ้าท่านฉันผมหนีไปทันทีนะเออ ถ้าท่านฉันผมจะหนีออกจากวัดทันทีวันนี้เพราะว่าผมไม่อยากจะเห็นท่านตายพระองค์นั้นก็บอกองนน้ก็เอาท่านจะห น, นีก็หนีไปแต่ผมอยากไปฉันปเป็นเรื่องของผมเองท่านจะห น, นีก็หนีพอองเน้ก็ไม่ยอมฟังองนั้นองค์นี้ก็ฉันเลยกันเนี่ยฉันกล้วยฉันให้เต็มอิ่มเลยพอฉันเสียจแล้วองค์นั้นก็ เตรียมบริหารเสร็จแล้วไปเลยวะก็องค์นั้นก็ไม่เหลียวหลังเหมือนกันวะกันเนี่ยเด็ดต่อเด็ดใส่กันว่างั้นเถอะองนี้ก็กินเข้าไปเพราตอนบา่ายท่านเนี่ยแพ้อย่างมากเหมือนกันผลที่สุดก็เลยใจขาดตายจริงจริงองนั้นก็ไม่รู้หายเข้ากิบเมกไปไหนก็ไม่รู้กระทั่งทุกวันนี้แหละทงปูแหวนท่านว่านะเอออันนี้ถ้ามันเด็ดอย่างงั้นก็คอยอยังชั่วนะเอะแต่ให้ลุงพ่อตัดสินว่าสององนี้ใครถูกใครผิด หลวงพ่อว่าถ้าหลวงพ่อพูดแบบในใจของหลวงพ่อนะในความคิดเห็นของหลวงพ่อนะไม่เอาความคิดของคนอื่นผิดทั้งคู่ถูกทั้งคู่ว่างั้นทำมจจะว่าผิดทั้งคู่อถูกทั้งคู่แต่องค์ที่หนีไปเนี่ยจะผิดมากกว่าเพราะว่ามันหน้าคนป่วยนะจิตใจมันอ่อนแอจิตใจมันอ่อนแอจิตใจมันไม่เป็นเนื้อเป็นตัวองค์ที่อยู่ดีเนี่ยก็น่าจะ มีน้ำใจอย่างสุดถึงเหนือกว่าคนป่วยแต่หน้าตำเนียก็คือหน้าตำเงงนียอง์นีว่างั้นแต่แต่ว่าตามไม่จริงกับหน้าตำเนีงองที่ฉันเหมือนกันเป็นผู้ใหญ่แล้วน่าจะยับยัง้งตายเป็นตายเป็นไงไปเมื่อมันไม่ถูกเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าจะเปรียบเทียบกับการสูบบุหรี่ถ้าตัวเองชอบแล้วเอาเอาเลยตายเป็นตายไม่ต้องไปหาหมออย่างงั้นมันก็กน็นาบูชาน้ำใจนะ แต่ถ้าว่าเป็นโรคภัยขึ้นมาแล้วยังต้อรอยไปหาหมออยู่เฮอยยังไปหาหมอยังไปให้หมอรักษาอยู่เนี่ยหลวงพ่อว่าเนี่ยมันก็ไม่ถูกเหมือนกันในเมื่อเขาห้ามแล้วตัวเองไปทำนะสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดเอาเหตุผลมาว่ากันนะเอาหลักเหตุและผลมาว่ากันสิ่งอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะั่นนะการกระทำสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ถูกแล้วก็นะครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนแนะนา ว่ากาวตักเตือนแล้วก็ควรจะสำเนียกสำนึกกลับตัวกลับตนให้เป็นพระที่ดีคนที่ดีนั่นแหละก็น่าบูชาน้่าใจแต่ว่าการกระทําสิ่งใดหมูทอกท้ทททวงห้ามปรามแล้วยังฝืนทาลงไปอยู่แสดงว่าดื้อด้านอ่าดื้อด้านต่อหลักธรรมวินัยดื้อด้านต่อเหตุผลไม่ถูกนะท้าสรุปแล้วก็คือไม่ถูกว่างั้นอะเพราะนั้นพวกเรา ทุกท่านนะอนสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามแกใครเอาหลักเหตุผลมาพูดกันคือหลักเหตุผลของหลวงพ่อนะไม่ใช่ว่าหลักเหตุผลของคนทั่วไปหลักเหตุผลของหลวงพ่อหลวงพ่อมีเหตุผลอย่างนี้ถ้าว่าใครมีเหตุผลที่แยงกว่านี้ไม่เอาข้างเข้าถูนะไม่เอาข้างเข้าถูแบบแบบเอาข้างเข้าถูหลวงพ่อก็ฟังด้วยไม่ได้เหมือนกัน แต่ถ้าว่าเอาเหตุผลมาว่ากันนะเนี่ยหลวงพอมีเหตุผลอย่างนี้นะที่พูดกล่าว เ, าเรื่องการกระทําอย่างนั้นมันไม่ถูกควรจะงดซะ อ, อย่างนี้เป็นต้นนะตลอดถึงพวกญาติโยมก็เหมือนกันญาติโยมก็สิ่งไหนที่ไม่ดีที่ฝืนทํายากในพรรษาในอบายยมุกทุกประเภทบูลมบูรี ปุกยาเสพตุกยาเสพติดอะไรพอตาเนี่ยพอจะงดได้ก็งดจากนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนในพรรษารักษาศีลทุกวันพระรักษาศีลตลอดไตรมาสสามเดือนรักษาศีลธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ในหลวงพ่อว่าพูดหลวงพอว่อในส่งเสริมนะให้มีศีลธาตลอดไตรมาสสามเดือนเพราะเหตุไรเพราะว่า การงานอย่างอื่นเราก็ทํามามากแล้วเราเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาเป็นต้นเป็นลําเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วแต่บัด น, นี้ให้ลูกเลี้ยงเราบ้างทิเป็นยังไงถ้าว่าเราเลี้ยงเขาอยู่ตลอดเขาก็ไม่รู้จักบุญคุณเหมือนกันนะอให้เขาพ่อแม่เลี้ยงเขาอยู่ตลอดเขาก็เลยให้เลี้ยงไปตลอดแต่อีกสักวันหนึ่งเราประกาศเออลูกเอ้พ่อแม่แก่เท่าชราแล้วเด้อ ตอนนี้ไปแม่จะพ่อแม่จะหยุดในการหากินนะหยุดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วตามที่หลวงพ่ออินท่านบอกเพราะว่าหลวงพ่ออินท่านบอกว่าเท่าแก่เมื่อไรหยุดซะทำมานานแล้วละ่ะให้ลูกเขาเลี้ยงซะเพราะนั้นพ่อกับแม่นี่บอกกับลูกกับเต้าแล้วเนอพ่อแม่หยุดนะเนอในการฆ่าสัตว์หยุดแท่แต่ลูกจะเต่าจะหามาให้อยู่ให้กินให้กินยังไงพ่อแม่ก็จะกินอย่างนั้นแหละแล้วไม่กินแล้วไม่ต้องบดให้เขานะอย่าไปบวดอย่าไปจมให้เขา เนีพอบางครั้งตัวเองหากินเองเลยังหากินไม่ได้อร่อยทุกคำหรอกเออบางทีก็กินข้าวกับพริกกับเกลือไปบ้างอ่าต่อไปน่ะลูกเต่าเขาก็จะเห็นบุญเห็นคุณของพ่อของแม่ต่อไปเขาก็จะเลี้ยงเองแ่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องวิตกกังวลทําทใจให้สบายสบายถึงจะกินดิบกินดีขนาดไหนไม่ถึงร้อยปีมันตายอย่างเขาเนี้ยนะ ไอ้คนที่ร่างกายผอมอเนะ่ะยังมีอายุยืนควรอ้วนๆเนี่ะจริงตายง่ายอย่างั้นแหอะพอเดินก็ยากลุกก็ยากเพราะเขาก็ไปก่อนนะคนอ้วนเอ้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมีศีลธรรมในจิตในใจของเราหลวงพ่อว่าเมื่อเราทําได้อย่างนี้ใจของเราก็จะสบายถ้าจิตเมื่อถึงคลาวลาโลกก็หลับตาได้อย่างสบาย ่ทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วไปสู่คุณงามความดีของพวกเราตายแล้วไม่สูญนนะตายแล้วเกิดอีกนะบุญกุศลที่พวกเราสั่งสมไว้นี่แหละจะติดตามจิตใจของพวกเราไปสู่ภพภูมิภายภาคหน้าเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นฉุกเพราะอันนี้สงทานศีลภาวนาของพวกเราเพราะนั้นพวกเราให้สั่งสมเอาไว้นะในพรรษานี้เป็นพรรษาหนึ่งละ ที่จะถึงเนะี่ยพวกเรายัางมีชีวิตอยู่นับว่าโชคดีทีเดียวยังไม่ล้มหายตายจากคนที่ล้มหายตายจากไปก่อนพวกเราก็มีมากต่อมากแต่พวกเราับน้าโชคดีแนะที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นให้ประพฤติปฏิบัตริรักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาประกอบคุณงามความดีส่วนฝ่ายพระหมณก็พยายามขำมัคำเล่นปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีพอต่อไปภายภาคหน้า เราไม่อยู่เพียงแค่นี้เราจะต้องเป็นผู้ใหญ่พยายามคนา้นคว้าตำรับตาราหลักธรรมวินัยให้เข้าอกเข้าใจศีล ส, สมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทิ่บัญญัติเอาไว้พยายามดูคน้นคว้าอะเพราะต่อไปเป็นผู้ใหญ่แบบไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์เป็นผู้ใหญ่โง่เง่าเตาตุนเป็นผู้ใหญ่ซื้อบือ้อใช้ไม่ได้นะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ พ, พุทธศาสนาซื้อบือ้อนะ พุทธศาสนามีเหตุมีผลรู้จักอย่างน้อยเอาตัวรอดถึงจะโง่อย่างอื่นไม่รู้จักอย่างอื่นแต่หลักธรรมวินัยนั้นให้รู้จักรักษาหลักธรรมวินัยให้มีศีลถึงจะโง่อย่างอื่นแต่เป็นพระโง่ที่น่ากราบไหวบูชาเพราะเหตุหลายเพราะท่านมีศีลท่านอยู่ในกรอบของศีลธรรมถึงท่านจะไม่รู้อย่างอื่นแต่ศีลธรรมของท่านเนี่ยท่านรักษาดี ถึงจะโง่อย่างอื่นก็เป็นพระโง่ทิ้งหน้ากาบหน้าไหว้หน้าเคารพ บ, บูชาเพราะท่านอยู่ในกรอบของศีลธรรมแต่ถึงจะฉลาดยังไงก็เถอะนะออกนอกลู่นอกทางฉลาดแวกแนวฉลาดแบบโลกเขาไม่ยอมรับฉลาดแบบนั้นใช้ไม่ได้แอฉลาดออกไม่อยู่ในกฎไม่อยู่ในเกณฑ์ไม่อยู่ในหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฉลาดอย่างนั้นกราบไม่ลงเพราะงั้นแอฉลาดอย่างนั้นกราบไม่ลง เพราะอะไรฉลาดแบรกแนวฉลาดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ฉลาดในในหลักธรรมวินยัยในภาคปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาแนะนําพี่น้องประชาชนลูกหลานให้รู้จักศีลรู้จักธรรมแล้วก็ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบด้วยอันนี้เป็นพระที่น่ากราบไหว้บูชาอย่างองค์หลวงตาเนี่ยท่านแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนในส่วนตัวของท่านก็ ท, นท่านเป็นผู้พร้อมนะ เอนะเป็นผู้พร้อมนะท่านมาได้คุกคลีตีโมงกับคู่กับคนนะเอเข้าไปหาท่านยากเหมือนกันนะเพราะท่านอยู่ตามลำพังท่านอยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยหาได้ยากคงเส้นคงวามาตลอดหน้าเคารพหน้ากราบไหว้หน้าสักการบูชาทีเดียวเพราะนั้นพวกเราท่านทางลายที่หลวงพ่อพูดน่ก็คือพระที่ฉลาดคือฉลาดในกรอบในศีลธรรมก็น่ากราบไหว้บูชา ถ้าฉลาดแบกแนวแล้วก็นั่นแ่ะเนี่ยหน้าตําหนิเพราะงั้นแต่มันมีทั้งสองอย่างน่ะฉลาดแบกแนวก็มีฉลาดหน้าเคารพกราบไหว้บูชาก็มีโง่ก็มีสองอย่างเหมือนกันเอีถ้าเอาว่าโงา่แต่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็เป็นพระ ท, ที่โง่ที่หน้ากราบไหว้บูชาแต่โง่แบบโง่เง่าเต่าตุ่นทําให้เสียหายหก็ยิ่งแย่ใหญ่อีกเพราะ ง, งั้นแตเ่เพราะนั้น สรุปแล้วก็คือให้ยึดหลักธรรมวินัยเป็นหลักยึดความถูกต้องเป็นหลักเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติพระธรรมวินัยอย่างไรเราก็ยึดถืออย่างนั้นสีมของพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรเรายึดถืออย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนพระธรรมยอย่างไรเราปฏิบัติอย่างนั้นนี่แหละเป็นพระที่น่า ก, าากราบไหว้สักการะบูชาจะเป็นญาติโยมก็เช่นเดียวกันนั่นแหะถ้าหากว่าญาติโยมมีศีลธรรมประจํา กายประจำวาจาประจําใจแล้วก็น่ารักน่าเคารพบูชาเช่นเดียวกันนะนะไม่ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ระดับไหนถ้าว่ามีศีลธรรมก็น่านับถือแต่ถ้าว่าขาดศีลธรรมแล้วอก็อย่างว่าน่าไม่น่านับถือเหมืะนกันนะวันนี้หลนะวงพ่อเองได้พูดเกี่ยวกับวันจะเข้าพรรษาอีกอาทิตย์หน้าหรือว่าอีกวันพระหนึ่ง เจวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นพวกเราให้เตรียมพร้อมว่าเราจะทําตัวอย่างไรก่อนที่จะเข้าพรรษาที่จะถึงนี้นะหลวงพ่อเคยพูดเสมอก่อนเขาจะทําความชั่วเขายังวางแผนเขายังมีแผนมีแปลนมีแผ น, แผ น, แผนที่จะทําความชั่วยังไงยังไงแต่เราจะทําความดีเราควรจะวางแผนไว้เหมือนกันนะวางแผนไว้ในพรรษาที่จะถึงเนี่ยเราจะทํำยังไงบ้างควรจะมีแผนไว้ในใจเหมือนกันนะ มันจริงจะถูกน ะ, นะตอนนี้ไปรับพอรอนุโมทนาให้พร